สำหรับในวันเสาร์นี้โยมก็ได้วันอาทิตย์นี้โยมก็ได้ปฏิบัติกรรมาฐานกันประมาณ1ชั่วโมงนะจริงๆอยากจะให้โยมไปทําแบบนี้ทุกวันเลยนะเดินก่อนแล้วก็นั่งนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะตอนช่วงเย็นๆจะได้ช่วยในเรื่องของทําให้จิตใจเราสงบลงนะเดี๋ยวประมาณสักครั้งถัดไปอาตมาจะสอนเี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตาให้นะตอนนี้อยากจะให้เดินจงกรมนั่งสมาธินี้ให้อยู่ตัวสักระยะหนึ่งก่อน พอใจเราสงบได้ดีเวลาเราแผ้ไม่ตา ก, ก็จะทําได้ง่ายเวลาเราจะรู้สึกว่าปฏิบัติกรรมฐานในความสุขมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยลโดยเฉพาะตอนที่เราแผ้ไม่ตาวันนี้เราจะได้คุยกันต่อจากเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก็คือในเรื่องของบุญแล้วก็กุศลในอาทิตย์ที่แล้วนั้นอาตมาได้อธิบายความหมายของคําว่าบุญกับกุศลให้ฟังไปแล้วจําได้ใช่ไหมมีเกณฑ์หลัก มีอะไรบ้างเอ่ยเกณฑ์หลักดูจากเจตนาใช่ไหมมูลเหตุอะไรเป็นมูลเหตุถ้าเป็นพวกโลภะโทสะโ ม, มหะเป็นมูลเหตุพวกนี้อกุศลหมดเลยแต่ถ้าอโลภะอโทสะโ ม, มหะเป็นมูลเหตุพวกนี้ก็ฝ่ายที่กุศลเอาเกณฑ์หลักนอกจากดูที่ตัวเจตนาหรือมูลเหตุตัวมูลเหตุแล้วดูที่สภาพจิตจํากันได้ไหรืเอเปล่าเอ่ยทบทวนกันนิดหนึ่ง หรือว่าหลังต้องค่อยๆถามลายตัวดี <c oughs> เหมือนสมัยตอนที่ไปสอนนักศึกษาหรือว่าเด็กนักเรียนนะดูที่สภาพจิตใช่ไหมถ้าเป็นกุศลนี่สังเกตง่ายๆเลยจิตมันจะปลอดโปร่งผองใสผ่องใ ส, งสมีความสุขจะไม่ขุนหมัวแต่ว่าจิตปลอดโปร่งผ่องใสนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นกุศลเสมอใช่ไหมเป็นโลภะบางทีมันก็มีความสุขได้แต่สังเกตว่ามันจะไม่สงบนะจะไม่สงบเหมือนกับตอนที่จิตใจเป็นกุศล ดูที่สภาพจิตนี่คือเกณฑ์หลักเกณฑ์ร่วมนะเกณฑ์ร่วมมีอะไรบ้างหนึ่งตัวเองติเตียนตัวเองได้หรือเปล่ารู้สึกผิดไหมในสิ่งที่ทำใช่ไหมอย่างที่สองวินยูชนบัณฑิตติเตียนหรือว่าสันเสริญในสิ่งที่เราทำนะวินยูชนที่อาตมาบอกกระยมว่าให้เอามาใช้เป็นเกณฑ์เลยก็คือ พระสมาสัมพุทธเจ้านะถ้าเราศึกษาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทราบว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทําอะไรที่ท่านสันเสริเนี่แหละวินิจชนตำหนิหรือสันเสริญนะถ้าอย่างใช้คําสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์นในการตัดสินอันนี้ยถูกต้องแน่นอนละนะอย่างที่สามดูที่ผลกระทบนะต่อตนเองและต่อผู้อื่นนะรวมไปถึงต่อสังคมโดยส่วนรวมด้วย อ่าวนะนี่คือเกณฑ์เพราะฉะนั้นโยมสังเกตง่ายๆสิ่งนั้นเป็นบุญกุศลหรือไม่หรือว่าไม่ใช่บุญกุศลวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อต่อไปเมื่อเรารู้ว่าภาวะสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเราจะมาดูว่าและวิธีการที่ทําให้ภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นมีวิธีการอะไรบ้างมีวิธีการอะไรบ้างที่จะทาให้ภาวะที่ดีงามเปบุญเป็นกุศลเหล่านี้เกิดขึ้น วิธีการหรือการกระทําที่เป็นบุญเป็นกุศละภาษาธรรมะท่านก็มีชื่อเรียกอ้าวลองเดานหน่อยสิเรียกว่าอะไรเอ่ยพอบอกมาก็จะร้องอ๋อกันทุกคนอีกนั่นแหละ <c oughs> เราเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุอ๋อแล้วใช่ไหม <c oughs> บุญกิริยาวัตถุได้ยินกันมานานแล้วใช่ไหมบุญกิริยาวัตถุ มาจากคําว่าวัตถุนะวัตถุกิริยาแปลว่าการกระทํานั่นเองนะแล้วก็บุญนะหรือบางทีเราจะเรียกว่าวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลนะหรือสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลเนี่ยบุญเกริยาวัตถุหมายถึงการกระทําที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเองแต่ต้องดูด้วยนะมันไม่ใช่แค่รูปแบบภายนอกนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่เจตนาดูที่สภาพจิตด้วยนะว่าสิ่งนั้นเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่ ภาษาธรรมะเราเรียก บ, บุญกิริยาวัตถุมีวิธีการแบ่งบุญกิริยาวัตถุไว้สองแบบด้วยกันแบ่งแบบย่อเราจะเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสามนะหรือถ้าจะพูดอย่างภาษาง่ายๆนะภาษางไทยง่ายๆก็คือวิธีการทําบุญสามวิธีนะหรือการทําสิ่งที่ดีงามสามวิธีนะวิธีการทําสิ่งที่ดีงามทําให้เกิดความเกื้อกูลเกิดความดีงามเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติก็มีอยู่สามอย่างด้วยกันสามวิธีด้วยกัน ถ้าพูดถึงตอนนี้คงจะไล่ได้แล้วมั้งได้แก่หนึ่งคือคืออา้าวดังๆนิดหนึงน่งหนึง่งคือทานนะสองศีลสามภาวนานะอันนี้ตอบได้กันทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันละนะเรื่องของทานศีลภาวนานะจะให้เห็นเป็นหัวข้อหลักๆใหญ่ๆเอาไว้ก่อนมาดูความหมายของแต่ละอย่างแต่ละอย่างก่อนก็แล้วกัน ทานนั้นหมายถึงการให้การแบ่งปันนะทานเนี่ยการให้การแบ่งปันการที่เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือหรือการสละการที่เราสละหรือให้แก่ผู้อื่นอันนี้เราเรียกประธานนะบรรทานในที่นี้ไม่จําเป็นต้องมาถวายพระเท่านั้นทั้งจะเป็น บ, บุญนะไม่เกี่ยวเลยนะหรือจะมีหลักในเรื่องของทานเนี่ยเรื่องของทานนี่คุยกันอีกหลายอาทิตย์เลยนะส่วนศีลนั้นเป็นเรื่องของอะไรเอ่ย สอนไปแล้วศีนั่นเป็นเรื่องของพฤติกรรมและความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมศีนไม่ใช่ข้อห้ามศีนไม่ใช่ข้อควรปฏิบัตินะคำว่าศีนนั้นไม่ใช่ข้อห้ามและไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติคำพ้องศีนี้หมายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลดีงามไม่เบียดเบียนต่อสิ่งแวดล้อมและ สังคมนั่นเองนะต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยคือศีลเพราะฉะนั้นไม่ใช่จํากัดเพียงแค่ศีลห้าเท่านั้ น, นที่เรียกว่าเป็นการทําบุญไม่ใช่จกัดเพี ย, ยงแค่ศีลห้าเท่านั้นพฤติกรรมที่เกื้อกูลเรียบร้อยดีงามที่เราทําออกไปนั่นแหละถ้าตั้งเจตนาไว้ดีนั่นจะเป็นการทําบุญไปด้วยในตัวเลยอย่างที่สามภาวนาคือภาวนาคือนะคําในภาษาไทยมีมีชื่อเรียกแทนนะเป็นคํามาจากภาษาสันสกฤต พัฒนานั่นเองนั่นเองนะภาวนาก็คือการพัฒนาการสร้างให้มีขึ้นมานะอย่างที่บางทีเราเรียกว่าการลงมือฝึกการลงมือปฏิบัติก็คือการสร้างให้มีขึ้นมาใช่การทำให้มีขึ้นมาการพัฒนาสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ขึ้นมาโดยเฉพาะในจิตใจและในฝ่ายของความรู้ความเข้าใจภาษาบาลีท่านใช้คาว่าภาวนาภา ว, วนาถ้าจะแปลอย่างภาษาไทยง่ายๆ ส, สั้นๆก็คือการพัฒนานั่นเอง ซึ่งการพัฒนานี้ก็จะเป็นออกได้เป็นสองอย่างก็คือหนึ่งพัฒนาจิตใจนะให้เป็นจิตใจที่พองใสดีงามสงบตั้งมั่นมีคุณภาพมีสมรรถภาพเป็นจิตใจที่ดีมีความสุขมีสุขภาพจิตใีอย่างนี้เป็นต้นอ น, นี้พัฒนาจิตใจในอย่างที่สองก็คือพัฒนาปัญญาพัฒนาปัญญานี่ก็เป็นการทําบุญนะอย่างโยมมาฟังธรรมนี่พัฒนาปัญญาใช่ไหมเป็นการทําบุญหรือเปล่าอา่านั่นแหละแต่คราวนี้ โดยรูปแบบนะเป็นการทําบุญแต่เจตนาของโยมนจะเป็นบุญหรือไม่ยอยู่ที่ตรงนี้นะบุญกุศลที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหรือไม่ยอยู่ที่ตรงนี้นะถ้าดั้งฟังหูซ้ายทะลุหูขวาหรือนั่งแล้วก็ใจเหม่อลอยไปไเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ใช่เข้าใจนะจําในเรื่องของความหมายเอาไว้นะอันนี้คือตัวรูปแบบหรือตัวแบบนะตัวแบบว่าาโดยรูปแบบมีอะไรบ้างแต่หมายถึงเจตนาต้องตั้งให้ได้ตามรูปแบบที่เรากําลังทําจริ ง, รงๆนั่นแหละจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นกับตัวเราทาน ศีลภาวนาสามอย่างนี้จึงเป็นวิธีการทําบุญนะหรือเป็นสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการกระทําคุณงามความดีหรือสิ่งที่ดีงามอ่ะมีคําถามไหมเกี่ยวกับบทความหมายให้เห็นภาพกว้างก่อนให้เห็นภาพรวมก่อนนะอะไรนะอันนี้เดี๋ยวค่อยกล่าวถึงอีกทีหนึ่งธรรมะนั้นแปลว่าการฝึกนะการฝึกฝนนะการข่มใจการฝึกฝน การแก้ไขพัฒนาปรับปรุงคําว่าธรรมะจะเป็พอนะอ่านะคราวนี้เราจะลองมาดูรายละเอียดในแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละหัวข้อเนี่ยใช้เวลาคุยกันนานเลยนะเพราะฉะนั้นให้เห็นภาพกว้างก่อนให้เห็นหัวข้อใหญ่ก่อนเรื่องแรกที่อาตมาจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของทานนะทานนั้นที่แปลว่าการให้การเสียสละการแบ่งปันนะการให้การเสียสละการแบ่งปันคําว่าทานนี้นะทําไมจึงเรียกว่าเป็นการ ทำบุญเอาลองดูในแง่ของความหมายเมื่อโยมจะเอาของไปให้ผู้อื่นได้นะการให้นั้นมีทั้งการให้ที่เป็นการทำบุญแล้วก็ไม่ใช่การทำบุญนะเขึ้นอยู่กับเจตนามันจำความหมายนี้ไว้ให้ดีนะการให้อย่างไรที่ไม่ใช่การทำบุญยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ยให้หวังผลหรือ เขาซื้อของมานะั้นเราเอาตังค์ไปจ่ายแม่ค้าหรือพ่อค้าพ่อค้าก็ให้ของเรามาอันนั้นเป็นทานไหมไม่ใช่นะแต่มองข้างาอกเอาแล้วก็ให้หนิแต่ให้เป็นลั <serve S 2> กษณะของการแลกเปลี่ยนใช่ไหมเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนบางทีให้ก็เป็นลักษณะของการให้หวังผลนะให้หวังผลอย่างนี้ถ้าอาการในลักษณะอย่างนี้ก็ยังไม่ได้จัดในเรื่องของเป็นเรื่องของทานในที่นี้นนะถ้าอย่า ง, างนั้นเราเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยน หรือการให้บางอย่างก็ไม่เป็นบุญเป็นกุศลนะอา้าวยกตัวอย่างเช่นโอ้เห็นเขาทะเลาะ ก, กับนี่นี่เยอะเหลือเกินเฮ้ยเอาปืนไปเลย <c oughs> ยิงมันเลย <c oughs> ให้ไหมอันนี้ไม่คิดตังด้วย <c oughs> ให้ยืมก่อนอันนี้เป็นบุญหรือเป็นบาป <c oughs> อ้าวนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปมองแค่รูปแบบภายนอกนะดูที่เจตนาด้วยนะดูที่เจตนาตรงส่วนนี้ด้วย ในเรื่องของทานนี้ท่านจึงบอกว่าต้องแบ่งออกไปอีกนะว่าการให้อย่างไรเป็นบุญเป็นกุศลการให้อย่างไรไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลมันมีอีกนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่มองเพียงแค่รูปแบบพอให้ปุ๊บเราฉันถือว่าให้แล้วก็คือให้บุญให้กุศลนะแต่อย่างนี้เห็นคนอยากเสพยาเสพติดเราซื้อยาเสพติดเอาไปให้เขาอย่างนี้ทํำไมอย่างนี้ก็ยิ่งแย่เลยใช่ไหมสังคมเนียเจตนานั้นมันก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ประกอบด้วยปัญญาอยู่แล้วเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นอย่างญาติโยมเอาของไปถวายพระสังเกตให้ดีนะว่าพระท่านอชอบชอบสุบุรีเอาไปสักสองขัน้นะะนท่านจะได้สบายใจนะเป็นยังไงเขาวนี้มาเร่งถามหาเลยนะนะบุญหรือเปล่ า, าพิจารณาดูด้วยนะมันท่านก็เลยมีหลักเอาไว้ให้ว่าการให้อย่างไรจรึงจะเป็นการให้ที่เป็นบุญเป็นกุศลและมีอนิสงฆ์มากนะคําว่าอานิสงฆ์นี้คือเกิดประโยชน์มาก เกิดความเครือกูนมากทั้งต่อตัวเราเองต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อสังคมวันนี้ก็มีหลักเอาไว้วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักตรงนี้กันเอาเริ่มต้นด้วยการให้ก่อนในเรื่องของการให้นี้ท่านก็บอกว่าวัตถุสิ่งที่ควรสงเคราะห์กันนะพอจะแบ่งออกได้เป็นสี่อย่างคุณคุณไมมทำหมวดนี้ ถ้ามาวัดยานาเวสส ก, กวันบ่อยๆเนี่ยพระเดชคุณอาจารย์ถ้าถ้าได้ฟังซีดีของท่านเนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากวัตถุที่พึงสงเคราะห์ที่พึงช่วยเหลือกันมีอยู่4ี่อย่างด้วยกันเรียกว่ า, เ ร, วาเรียกว่าอะไรนะสังฆะวัตถุอ้าวขออนุโมทนาแสดงว่ามาแล้วได้ประโยชน์ได้ฟังซีดีพระเดชคุณอาจารย์นะ มาจากสังขะคกกือคือสงเคราะห์นั่นเองนะแล้วก็วัตถุนะวัตถุก็สิ่งสิ่งที่พึงสงเคราะห์กันนะสิ่งที่พึงให้แก่กั น, นเป็นการสงเคราะห์ทําให้เกิดความเกื้อกูลขึ้นซึ่งกันและกันนี่แหละในการให้นะก็จะให้สี่อย่างนี้นะเอามีอะไรบ้างหนึ่งก็คือทานให้ด้วยสิ่งของให้ด้วยวัตถุใช่ไหมวัตถุสิ่งของอันนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างมากเราก็เห็นอยู่แล้วนะวัตถุที่เป็นประโยชน์ เรามีจิตใจเสียสละเพื่อเพื่อเผื่อแผ่เราจึงให้เข้าไปใช่หมหนึ่งก็คือให้ด้วยวัตถุสิ่งของให้ด้วยวัตถุสิ่งของเราเรียกว่าทานอย่างที่สองให้ด้วยคําพูดให้ด้วยวาจาสิ่งที่พึงสงเคราะห์กันด้วยวาจาคําพูดที่อ่อนหวานไพเราะนะหรือการที่แนะนําชักชวนกันให้เกิดคุณงามความดีในจิตใจทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีอย่างนี้เป็นต้น หรือจะให้ด้วยคําปลอบโยนให้กําลังใจนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็แสดงอากอาศ ก, กรรยาออกมาในเรืของวัตถุที่สงเคราะห์ด้วยคําพูดใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าให้ด้วยคําพูดนะอย่างให้ด้วยวัตถุนี่ก็ยกตัวอย่างเยอะแยะเลยใช่ไหมนะอย่างสังคมไทยนี่ก็พยายามที่จะให้คนพยายามสงเคราะห์กันตรงส่วนนี้นะยกตัวอย่างอย่างเช่นวันเกิดวันเกิดนี่เจ้าของวันเกิดจะทํายังไงเอ่ย แล้วคนที่ไปร่วมงานวันเกิดก็จะเอาของขวัญไปให้ถ้าเราให้ด้วยเจตนาที่ปรารถนาดีกับเขาเอ้าวเพื่อนครบรอบวันเกิดเราตั้งเจตนาตั้งใจสวยงานอย่างนี้รู้สึกอยากจะให้อยากจะยินดีกับเขาขณะให้อย่างนั้นเป็นการทําบุญไหมเป็นขนาดนั้นเป็นการทำบุญไปเรียบร้อยแล้วย่อมองสังเกตง่าย ในขณะที่ยอมให้วัตถุสิ่งของกับคนโดยที่เรารู้สึกอยากจะให้เขายินดีกับเขาด้วยไม่ว่าเขาประสบความสําเร็จก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งวันขึ้นปีใหม่เสียตังแล้วเนี่ยได้มาคุมไหมนะถ้าเสียตังแล้วมานั่งกังวลได้บาปมาก็เสร็จเลยใช่ไหมนั่นจะยอมขาดทุนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออไปแสดงความยินดีหรือว่าขึ้นปีใหม่เราได้ทําสิ่งที่ดีงามหรือแม้แต่กระทั่งเราเผื่อแผ่แบ่งปันนะหนึ่งปีก็เราจะทํากันสักครั้งหนึ่ง เวลาตั้งเจตนาออกไปอย่างนี้นว่าเอาละขึ้นปีใหม่แล้วเราจะได้ไปแสดงความยินดีซึ่งกันและกันนะมีวัตถุมีสักข้าวของมีอะไรก็ไปแบ่งปันนะแบ่งปันในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของความเครือกูนนี่ไม่ใช่เรื่องของโลภะใช่ไหมถ้าตั้งเจตนาอย่างนี้แต่ถ้าตั้งเจตนาว่าให้เราจะได้ของจากเขาเยอะๆอีกกันนี้ก็ไม่ใชนะ่ไออย่างนี้มันจะเป็นพวกของโลภะตายทานอย่างนี้นก็เป็นการทาบุญนะ นโยมต้องมองให้ให้กว้างในชีวิตประจำวันหรือถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเลยในแง่ของการให้วัตถุลองโยมลองยกตัวอย่างได้ไหมตื่นเช้ามาแม่บ้านทำกับข้าวอยู่ที่โยมตั้งใจแล้วให้โยมตั้งใจตั้งเจตนาได้ถูกขณะโยมทำกับข้าวในการเป็นบุญแล้วนะเป็นเรื่องของทานแล้วใช่ไหมใช่เนี่ยเราจะเอาข้าวนี้หรือ อาหารต่างๆที่เราซื้อมาอุ่นให้เราจะให้กับลูกหรือให้กับสามีตั้งเจตนาให้ดีเป็นการช่วยเหลือเป็นการเกื้อกูลเป็นการให้เขาจะได้มีเรี่ยวแรงกําลังไปประกอบอาชีพศึกษาเล่าเรียนไปประกอบคุณงามความดีถ้าเจตนาโยมตั้งใจไว้อย่างนี้ในขณะนั้นเป็นทานไปในตัวเรียบร้อยละยากไหมทําบุญไม่ยากนะอยู่ในชีวิตของโยมอยู่ที่เจตนาของโยมนะแต่ถ้าโยมรู้สึกเป็นภารัก เป็นหน้าที่ต้องทำตอนนั้นจิตใจเป็นยังไงเอ่ยคุณมัวเศร้าหมองต้องทาอีกแล้วเกิดโทสะแรงโยมก็เสียอยู่แล้วเท่าของโยมก็เสียแถมจิตใจเสียอีกก็โยมขาดทุนเราะั้นอยู่ที่เจตนาของโยมนะการให้อย่างนี้มันไม่ใช่การหวังผลประโยชน์ใช่ไหม ยนงยมทํากับข้าวหรือซื้อของให้กับลูกหรือให้กับสามีหรือให้กับภรรยายมหวังผลประโยชน์จากเขาหรือเปล่าละ่ะถ้าอย่างนั้นตั้งเจตนาให้ดีและในขณะที่ยมทำในจิตใจยมจะได้ผ่องใสดีงามถ้าอย่างนั้นเป็นทานไปในตัวเลยเวัะคําว่าทานนั้นไม่จํากัดเพียงแค่ว่าจะต้องมาให้กับพระเท่านั้นจึงจะเป็นการทําบุญไม่ใช่การให้ทุกอย่างนั้นถ้าตั้งเจตนาได้ถูก ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นจิตที่คิดเสียสระคิดที่จะให้เผื่อแผ่ออกไปเอื้อเฟื้อออกไปนั่นแหละโยมกำลังทำบุญอยู่มันอย่าเสียโอกาสนะจังไว้อย่าเสียโอกาสตรงส่วนนี้อา้าวในเรื่องของการทำบุญโดยการให้ทานนอกจากนั้นในขณะที่โยมทำหน้าที่การงานโยมให้ของหรือให้เพื่อนยืมของเป็นบุญไหม อย่าเพิ่งบอกทันทีสิว่าเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญเป็นบุญก็ได้ไม่เป็นบุญก็ได้นะอ ย, นอยู่ที่เจตนาอยู่ที่เจตนาถ้าให้เขายืมโดยกะว่าหมาเอาไว้เป็นบุญคุณจบมันวันหลังจะได้เรียกมันมาใช้ <c oughs> ถ้าอย่างนี้เป็นบุญหรือเปล่าไม่ใช่แต่ถ้าเราอยากช่วยเหลือเพื่อนอ่าเพื่อนไม่มีอ้าวเราให้ยืมของนี่เป็นทานอย่างหนึ่งใช่ไหมเป็นต้องการให้วัตถุอย่างหนึ่งถ้าอย่างนี้ สังเกตขณะที่โยมให้ในโยมกับผ่องสายรู้สึกดีในใจนั่นแนหะบุญกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วทาได้ไหมอย่างนี้ในชีวิตประจําวันไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมโอกาสทําบุญนโยมมีอยู่ตลอดนะในทุกๆขณะเลยเพียงแต่โยมตั้งเจตนาให้ดูให้ถูกนะเมื่อเสียวัตถุแล้วก็ต้องให้ได้สิ่งที่ดีงามอย่างน้อยเกิดขึ้นในใจของเรานะและถ้าความเกีื้อเกลือมันก็จะเกิดขึ้นนะอา้าวอันในเรื่องแรกนี่ในเรื่องของทานก่อนอันนี้เราเรียกว่าให้ด้วย วัตถุนะให้ด้วยวัตถุสิ่งของอย่างที่สองให้ด้วยคำพูดในชีวิตประจำวันทาอยู่หรือเปล่าอา้าวยกตัวอย่างเช่นอา้าวตื่นเช้ามานะตอนที่สามีหรือภรรยาจะออกไปทำงานด้วยจะจะออกไปทางานเราให้ด้วยคำพูดไหมให้กำลังใจเข า, เาวันนี้ทำงานดีๆนะให้มีความสุขปราศจากอุปสรรคนะถ้ายมทำอย่างนี้ยอมทาบุญแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรเอ่ย ปีญ่าวาจาเนี่ยปีญ่าวาจาใช่ไหมใช่เอาลูกตั้งใจเรียนหนังสือนะในขณะที่โยมตั้งใจปรารถนาดีกับรูปแบบนี้เจตนาของโยมที่ดีออกไปขณะนั้นแล้วโยมพูดออกไปขณะนั้นโยมสังเกตจิตใจโยมเป็นยังไงมันผ่องใสมันมีความสุขนั่นแหละเป็นการทําบุญแหละฮะอยากหรือเปล่ามันอยู่กับชีวิตของโยมเลยนะอยู่ที่เจตนาที่เราตั้งใช่ไหมใช่เอากลับมาถึงบ้านเอาเหนื่อยไหมคุณนะ หรือถ้าสามีก็ถามระายะาวันนี้เป็นยังไงทํางานเหนื่อยไหมอา้าวอย่างนี้เป็นคําพูดที่อ่อนหวานไพเราะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนี่เป็นการทําบุญไหมเป็นผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกยังไง ร, รู้สึกดีชื่นใจเราเองก็รู้สึกดีที่เรารู้สึกไปให้ใช่ไหมใช่ในที่ทํางานก็เหมือนกันนะการพูดจาการโอภาปราศัยซึ่งกันและกันเอาตั้งเจตนาที่จะให้อย่างนี้สิใช่ไหมใช่ถ้าตั้งเจตนาอย่างนี้เนี่ย เป็นเรื่องของการให้อย่างหนึ่งเป็นเรื่องของปิยะวาจาเป็นสิ่งที่ควรควรสงเคราะห์ซึ่งกันละกันในขณะที่ยมทําอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นสัมมาวาจาแล้วก็เป็นการทําบุญไปนในตัวนะแต่ในทางตรงกันข้ามนะถ้ายมไม่ให้อย่างนี้แต่ว่าทะเลาะเบาะแหวงหรือว่ากล่าวดุด่ากันนะั้นคำนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นบาปเลยใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในจิตใจสังเกตง่ายๆจิตใจคุณมัวเศร้าหมอง หรือพูดหลอกเขาหรือหวังผลประโยชน์จากเขามันโยมต้องเลือกเอาเองนะในขณะที่โยมทําอย่างนี้โยมจิตโยมจะสะสมสิ่งที่ดีงามสะสมการให้แต่ปริยยะวาจาในที่นี้จําไว้ว่าไม่ใช่เพียงแค่คําพูดอ่อนหวานหมายถึงพูดในแง่ของตัวอัทธประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเขาด้วยอย่างเห็นลูกเขาไม่ทําตามที่ควรสิ่งที่ควรจะทําหรือเห็นเพื่อนร่วมงานทําผิดเราให้ด้วยคําพูดด้วยด้วยการให้อะไรเอ่ย ให้คำสั่งสอนและให้คำแนะนำขณะให้คาสั่งสอนอันนี้ผิดคุณไม่ควรทำนะมันผิดในแง่นี้ในแง่นี้คุณไม่ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็เป็นการให้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่เพียงต้องให้คำชมเท่านั้นจึงจะเป็นการทำบุญไม่เกี่ยวนะให้คำพูดที่เป็นประโยชน์กับเขาให้คำสั่งสอนให้คำแนะนำให้คำตักเตือนเคยไหมตอนสมัยเด็ ก, ดกครูว่าก่าวดุดาตักเตือนเราเคยใช่ไม ตอนนี้เวลานึกถึงครูคนนั้นเป็นยังไงเอง่ยแล้วตอนเด็กๆเราลึกสิคส่วนมากโอ้โหนี่ถ้าไม่ได้ครูคนนี้คอยตีคอยว่าเรานะั้นเราโดดเรียนสบัดเลยเดี๋ยวนี้คงไม่ได้มาทําหน้าที่การงานแบบนี้แหละใช่ไม่ใช่เวลานึกถึงอย่างนั้นเราจะรู้สึกถึงอะไรเอ่ยสิ่งที่ดีงามที่ท่านเหล่านั้นให้กับเราอย่างนี้เป็นต้นงั้นอย่างที่สองเนี่ยปิยาวาจาในอย่างให้ขาดปิยะวาจา พูดคําที่เป็นประโยชน์แนะนำเชคจูงเขาให้เกิดจิตใจที่ดีงามอยากทําคุณงามความดีโอภาประสัยกันด้วยน้ําจิตน้ําใจมีมิตรจิตมิตรใจมีมิตรไมตรีซึ่งกันและกันในขณะที่โยมทําแบบนี้นี่แหละโยมก็กําลังทําบุญด้วยนะโยมกําลังทําบุญด้วยเนะอาันนี้อย่างที่สองนะปิยะวาจาอย่างที่สามให้ด้วยแรงกายนะให้ความช่วยเหลือด้วยแรงกายภาษาธรรมะเราเรียกว่าอัถะ จริยานะเจริญยักษ์จระก็ไปทำดําเนินไปนะอัฏฐะก็คือประโยชน์นะการดําเนินไปให้เกิดประโยชน์หรือการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเขานะด้วยแรงกายของเราเอายุ่งตัวอย่างอย่างง่ายๆเช่นนะอย่างโยมที่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะอยู่บ้านนี้ต้องทําความสะอาดบ้านไหมต้องจัดของไหมเป็นไงสามีกับลูกนี่ชอบทําของรกไหมชอบนะ อันนี้ตอนโยมจัดบ้านโยมรู้สึกยังไง <c oughs> อ้าวเป็นบุญหรือเป็นบาปอ้าวจบเลยนะโยมขัดทุนใช่ไหมใช่หนึ่งจัดยังไงก็ต้องจัดใช่ไหมไม่งั้นบ้านมันรกมันไม่สะอาดสองใจโยมเกิดโทสะขึ้นมาอีกนี่เสียสองสองทางเลยใช่ไมลองตั้งเจตนาเสียใหม่การที่เราช่วยจัดนี้เป็นการที่เราจะช่วยให้เขา อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเกิดความสะอาดสะอา้านเขาจะได้ทําหน้าที่การงานได้สบายถ้ายมตั้งเจตนาอย่างนี้คือยมกําลังตั้งเจตนาในการให้หรือบาเพ็ญประโยชน์ให้กับเขาอย่ามองว่าเป็นภาระนะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องฝึกให้เขาได้ทําด้วยใช่ไม่ใช่เนีย่ยต้องฝึกให้เขาได้ทําด้วยแต่เรายังไปมองเป็นภาระอย่างนั้นสิไม่งั้นเสียทั้งสองทางเพราะยังไงเราก็ต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมใช่ เพ่าะมองอย่างนี้เราก็มองว่าเอวละเหมือนกับเรามาอายกตัวอย่างเอาอย่างที่โยมไปบางที่หรือไปที่วัดเห็นขยงขยะมันทิ้งหกเรียบรา่าช่วยเก็บหน่อยขณะที่โยมช่วยอย่างนั้นก็เป็นอัตตาจริยาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันก็ตั้งเจตนาตั้งใจไว้อย่างนั้นให้ทุกที่เป็นวัดก็ได้อา้าวตรงไหนมันไม่สะอาดไม่เรียบร้อยเราก็ช่วยจัดช่วยกวาดสักนิดหนึ่งแต่ต่อไปมันก็ต้องลบเหมือนมันก็ต้องมีลบ ก, กลับมาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ให้เราได้กำไรตรงส่วนนี้ถ้าเสียแรงกายไปแล้วต้องให้ได้กำไรตรงส่วนนี้ถ้าโยมตั้งใจว่าเป็นการจัดสรรสิ่งแวดล้อมจัดสรรสถานที่ต่างๆให้สะอาดสะอา้านคนที่มาอยู่เขาก็จะได้สบายใจมีจิตใจที่ผ่องใสทาหน้าที่การงานได้สะดวกได้คล่องถ้าโยมจัดด้วยความรู้สึกอย่างนี้เป็นยังไงเอ่ยอยังมโหอยู่ไหมมันจะไม่มโหแล้วใช่ไหงหรืออย่างโยมมาวัดนะ จเจริญพรอย่างบางท่านพอดีมาเช้าใ น, นที่อัตมาจะเห็นโยมุูซาแม้มีอะไรตรงแถวนี้เอาไม้กวาดมากวาดให้หน่อยในขณะที่โยมทำนี่รู้สึกโมโหไหมทําไมเปไม้มันตกไม่รู้สึกยังไงขณะที่ทําเมื่อเรากวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นสะอาสะอา้าเห็นคนมาปฏิบัติธรรมหรือมาฟังธรรมแล้วเขาก็นั่งในที่สะอาสะอา้านเดินก็สบายโยมรู้สึกยังไงในขณะที่เราเราได้ทําสิ่งนี้ สบายใจภูมิใจนั่นแหละบุญกุศลเกิดขึ้นอยู่ที่บ้านก็ทําอย่างนี้เลยสิใช่ไม่ใช่ก็ตั้งเจตนาตั้งใจไว้อย่างนี้อย่ามองเป็นเพียงแค่เป็นภาระเป็นหน้าที่แต่ให้ได้สิ่งที่ดีงามและให้ได้บุญกุศลเกิดขึ้นในใจของเราด้วยการทําอย่างนี้เราเรียกว่าอัตตจริยานอกจากนั้นรวมไปถึงการช่วยเหลือกันในสิ่งเล็กๆลก็น้อยนะแต่อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะ ยกตัวอย่างเช่นเห็นคนถือของหนักเอาช่วยเขาถือหน่อยในขณะที่โยมตั้งเจตนาที่จะช่วยเขาอย่างนี้ขออภัย ในขณะที่โยมตั้งเจตนาจะช่วยเขาอย่างนี้โยมไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเขาใช่ไหมเอาอย่างยกตัวอย่างโยมมาวัดบางทีเห็นเขากําลังยกของมาเยอะโยมบางท่านอาจจะมีน้ําใจเอาไปช่วยถือของไปช่วยจัดลงจานจะได้เอาถวายพระในขณะที่โยมทําอย่างนั้นโยมรู้สึกยังไงรู้สึกผ่องใสใช่ไหมรู้สึกดีงามรู้สึกดีนั่นแหละบุญกุศลเกิดขึ้นกับใจของโยมแล้ะภาษาธรรมะเราเรียกว่าอัตตจริยา ยมอยู่ที่ทํางานเห็นเพื่อนทํางานะเออตรงนี้เราพอช่วยเหลือเพื่อนได้เรามีน้ําใจเสียสละมีน้ําใจกับเพื่อนอา้าวช่วยเขาหน่อยถ้าอย่างนั้นในขณะที่ยมทําอย่างนั้นยมรู้สึกยังไงมันจะรู้สึกสบายใจนั่นแหละยมกําลังทําบุญทํากุศลอยู่ะเป็นการให้อย่างหนึ่งเป็นการช่วยเหลืออย่างหนึ่งเราเรียกว่าช่วยเหลือด้วยแรงกายหรืออัตชจริยาซึ่งอัตชจริยานี้เนี่ยมีมานานแล้วนะ สมัยใหม่นี้ก็พยายามบางทีก็ไปพยายามเรียนแบบฝรั่งเนี่ยนะยมเคยได้ยินคําศัพท์ไหมที่เข้าได้กับคําว่าอัตชจริยาเนี่ยแต่เป็นศัพท์สมัยใหม่ที่ให้ออกไปบำเป็นประโยชน์กับสังคมนั่นแหะคืออัตชจริยาละเมื่อกี้พูดถึงที่เราเจอในชีวิตประจําวันถ้ามีเวลามากกว่านั้นไปบําเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมเช่นไปช่วยเหลือที่บ้านคนชาราช่วยเลี้ยงเด็กกําพร้าหรือแม้แต่กระทั่งการออกไปเก็บขยะ ตามท้องทะเลหรือตามที่ต่างๆเรียกว่าอะไรเอ่ยจิตอาสาเนะียเคยได้ยินใช่ไหมไม่ใช่คําใหม่เลยนะเห็นปัจจุบันนักวิชาการตื่นเต้นมากต้องให้คนมีจิตอาสามีอะไรแบบนั้นโอ้จริงๆสอนกันมานานแล้วนะบางทีไม่เข้าใจความหมายเนี่ยอัทธาเจรยาละ่ะคือการออกไปบำเพ็ญประโยชน์หรือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะ ถ้าจะเอาคำศัพท์แบบสมัยใหม่นะท่าในสมัยก่อนท่านก็บอกว่าช่วยด้วยแรงกายนะช่วยด้วยแรงกายนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยแรงกายหรือบำเพ็ญประโยชน์นั่นเองนี่แหละคือคำว่าอัทธาจริยานั่นเองในขณะที่ยมทําด้วยความเพียรจิตใจที่เสียสละปรารถนาที่จะช่วยเหลือเขาหรือปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างใจจริงแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับเขาด้วยใจจริง ในขนาดนั้นนั่นแหละโยมกำลังทำบุญ น, ะนี่คือเป็นการให้ด้วยแรงกายนะเป็นการให้ด้วยแรงกายนะอย่างสุดท้ายนะภาษาธรรมะเรียกว่าอะไรเอ่ยสมานัตตานะสมานัตตาคืออะไรคือการทำตนสมำเสมอเสมอสมามาจากคำว่าสมันั่นเองนะ ร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขาสมานนักตาตานี้อาศัยในในฝ่ายของปัญญาคือขนาดที่ยมประพฤติตนสมฐานะเช่นเป็นพ่อแม่ก็ทําตนให้สมกับเป็นพ่อแม่เลี้ยงดูให้คําแนะนำํำให้คําสั่งสอนให้การศึกษากับบุตรด้วยใจปรารถนาดีกับเขาเราเป็นลูกทําตนให้สมกับเป็นลูกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีกิจการงานหน้าที่ของพ่อแม่ช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านเนี่ยทําตนให้สมฐานะ เป็นหัวหน้าทําให้สมฐานะหัวหน้าเป็นลูกน้องทําให้สมฐานะของลูกน้องสม่ําเสมอนะแล้วก็สมัครก็คือร่วมสุขร่วมทุกขนะ์ร่วมสุขร่วมทุกข์กับเท้านะมีปัญหาช่วยกันแก้ไขอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคําว่าสมานตาต า, ตานะขณะที่ยอมทำนหน้าที่แบบนี้ก็ถกับว่าโยมทําบุญด้วย พอแบ่งเป็นสี่ อ, อย่างวัตถุที่พึงสงเคราะห์กันนะถ้าเราสงเคราะห์กันด้วยเจตนาที่ปรารถนาที่อย่างแท้จริงนะเป็นเจตนาที่มุ่งในแง่ของการช่วยเหลือแบ่งปันให้หรือสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นมาในขณะที่ยมทําอย่างเนี้ยทุกอย่างที่ยมทำเนี่ยกลายเป็นการทําบุญไปในตัวเพราะยมทํางานเนี่ยเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้นะอยู่ที่ยมเลือกถ้ายมทํางานหวังได้เงิน ทำงานจะเอาเงินเยอะๆค้าขายให้ได้กำไรเยอะๆนะหรือเป๊ะถ้าทำงานบริษัทได้เงินเดือนเยอะๆจะเอาเงินเดือนเยอะๆทำงานราชการก็อยากให้ได้เงินเยอะ ๆ, ๆถ้าอย่างนี้บุญหรือบาปบุญหรือบาปโลภะโทสะโมหะใช่ไหมตอนอยากได้นี่คือโลภะพอไม่ได้มีอะไรก็มากระทบนี่คือโทสะใช่ไหมใช่เนี่ยแหละ หรือทีมันทํำแล้วเงินเดือนก็เท่าเดิมไม่ย่ายําต้อกอยู่อย่างนี้สักทีนึงเบืออ่อหน่ายนี่ก็กลายเป็นโมหะถ้าอย่างนี้แล้วก็งานโยมเนี่ยงานที่โยมทํากลายเป็นบาปกลายเป็นอกุศลในใจขึ้นมาในใจของโยมทันทีเลยแต่ถ้าทางตรงกันข้ามโยมตั้งใจเอาละสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะทําออกไปสู่สังคมเป็นการช่วยเหลือครอบครัวกันแต่ละคนในในสังคมก็ทําหน้าที่ซึ่งแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันถ้ามองอย่างนี้ เป็นเรื่องของความเสสละใช่ไหมเป็นการงาที่เราอยากจะช่วยเหลือสังคมผ่านงานที่เราทําผ่านความถนัดที่เราทําซึ่งแบ่งกันในสังคมก็จะแบ่งกันแต่และคนมีหนะ้าที่ตามความถนัดหรือตามบริษัทที่จ ะ, จะแบ่งงานกันไปทําเพื่อให้เกิดความเพื้อกูลเกิดขึ้นถ้าโยมตั้งเจตนาอย่างนี้โยมไม่ใช่มองเงินเดือนว่าเงินเดือนได้เท่าไหร่แต่ดูที่ว่าเราจะทําอะไรให้กับสังคมให้กับหน่วยงานให้กับองค์กรให้กับเพื่อนร่วมงานแล้วให้กับสังคมโดยรวมได้แม้แต่กระตั้งขอภายเถอะ โยมเป็นพันโรงหรือเป็นพนักงานทำความสะอาดถ้ายมทำความสะอาดพยายามทำให้เรียบร้อยคนที่มานี้เขาก็จะมีจิตใจผ่องใสคนที่มาหรื อ, อเข้ามาที่อาคารแห่งนี้จะได้ทำงานได้สะดวกนะอย่างน้อยมองไปที่ทางไหนมันสะอาดสะอา้านจิตใจเขาก็ผ่องใสดีงามขณะที่ทำความสะอาดด้วยความรู้สึกแบบนี้นั่นแหละเขากำลังทาบุญโยมก็เหมือนกันนะไปติดต่อลูกค้าไม่ใช่มองว่าฉันจะขายของ มองใหม่เราจะไปช่วยเขาอย่างไรให้ทำงานได้ดีขึ้นให้พนักงานของบริษัท น, นั้นๆได้มีไรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวให้กิจการงานหน้าที่ดาเนินไปได้ด้วยดีถ้ามองอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโยมจะมุ่งขายอย่างเดียวแต่โยมมุ่งในแง่ของการช่วยเหลือเกื้อกูลผ่านสินของที่เรามีหรือสินค้าที่เรามีใช่ไหถ้าโยมตั้งอย่างนี้โยมไปแล้วโยมไม่เครียดแล้วจะมองมากกว่าเพียงแค่สินค้าที่ขาย ถ้าอย่างนี้กลายเป็นบุญกุศลขึ้นมาทันทีเลยเพราะเป็นเรื่องของการที่ออกไปช่วยเหลือแล้วก็เกื้อคูลไม่ใช่เพราะโลภะใช่ไหมใช่ไม่ใช่เพราะโลภะลแต่เพราะการสละหรือการให้ถ้าทําอย่างนี้โยมได้กําไรละงานก็ได้ผลคนก็รู้สึกมีความสุขในการทํางานหรือมองในแง่ของการตอบแทนให้กับประเทศชาติบ้านเมืองหรือกับประชาชนก็ได้ใช่ไหมกว่าเราจะศึกษาเราเลยมาได้ถึงถึงขั้นนี้เนี่ยอ า, า, ยาศัยภาษีมาทั้งเท่าไหร่ ที่บ้านเราหรือว่าพ่อแม่เราจ่ายให้เนี่ยไม่ถึงยี่สบเปอร์เซ็นตด้วยซ้ํานะจากภาษีที่ถ้าใครเรียนยิ่งโรงเรียนโรง เ, เรียนรัฐบาลมหาวิทยาลัยรัฐบาลเนี่ยนะคำนวณโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณค่าใช้จ่ายจริงๆที่เราจ่ายเนี่ยประมาณยี่ิบเปอร์เซ็ท่านั้นเองที่เหลือนั้นใครออกให้เรารัฐบาลผ่านภาษีภาษีนี้ใครให้เราให้ให้มาประชาชน มันเมื่อเราทํางานเรามีการศึกษาที่สูงขึ้นต้องถามว่าตัวเองจะทําอะไรให้กับคนที่เสียสละให้เรามาก่อนตรงนี้ได้มากที่สุดเราต้องทําให้ได้มากกว่าเขาสิในเมื่อเราเอาจากเขามามากอถ้ามองอย่างนี้นะในการทํางานของโยมจะมุ่งในแง่ของการช่วยเหลือละมองตัวงานในแง่ของเป็นการช่วยเหลือเป็นการเกื้อกูลให้กับสังคมให้กับประชาชนถ้าโยมมองอย่างนี้เนี่ยกลับกลายเป็นบุญกุศลขึ้นมาแทนส่วนเงินเดือนละ่ะคืออะไรเอ่ย อย่มองแค่ผลตอบแทนนะคือมองอย่างฝรั่งมองหนึ่งก็บอกว่าทํางานก็ต้องได้เงินนั่นเป็นผลตอบแทนเป็นหน้าที่ที่แกต้องให้ฉันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าตัง้งเจตนาไว้อย่างนั้ น, นะคเครียดตายเลยเงินเดือนคือน้ําจิตน้ําใจของเขาที่มีตอราใช่หรือไม่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยอาศัยการแลกเปลี่ยนสิ่งของไม่มีเงินหรอกในยุคก่อนก่อน อ้าวเรามีอันนี้เยอะหรือลองไปดูตามชนบทอ้าวคนนี้ปลูกผักคนนี้จับปลามาได้อ้าวจับปลามาได้เอาแบ่งกันถ้าให้อย่างนี้ไม่ใช่การซื้อขายใช่ไหมอ้าวจับมาได้หลายตัวเออเอาไปกินสิอีกคนหนึงปลูกผักได้เออผักเพิ่งเก็บมานี่ฉันมีผักอันนี้เออเธอเอาไปกินสิถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เชิญของการแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องของน้ําจิตน้าําใจหรือมิตรจิตมิตรใจหรือมิตรไมตรีที่มีต่อกันใช่ไหม ต่อมาเออก็จะแลกเปลี่ยนกันยังไงก็เลยมีเรื่องของเงินเข้ามาครั้นี้คนแล้วก็เลยปิดในเงินแล้วก็ลืมถึงหลักเบื้องต้นหรือเหตุดั้งเดิมที่มีการแลกเปลี่ยนกันเป็นเรื่องของน้ําจิตน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและ ก, กันมันอย่าไปมองเงินเป็นตัวหลักตุวใหญ่มองนั่นคือน้ําจิตน้ําใจที่เขาตอบแทนให้กับเรานะถ้ามองในลักษณะแบบนี้นะแล้วก็โยมได้เงินเดือนมากหรือได้เงินเดือนน้อยโยมจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์ตรงจุดนั้น แต่อย่างน้อยที่สุดเขามีน้ําใจให้กับเราใช่ไหมลูกค้ามีน้ําใจให้กับเราเพราะว่าเราอะไรเอ่ยช่วยเหลือเขาในแง่ของสินค้าของเราอ่ถ้ามองอย่างนี้เราก็ต้องขอบใจเขาที่เขาจ่ายเงินให้กับเราใช่ไหมที่มีน้ำจิตน้ำใจให้กับเราเราในฐานะเป็นลูกค้าของเขาก็ต้องขอบคุณผู้ที่ขายของให้กับเราใช่ไหมอุตสาห์ช่วยสร้างสินของช่วยเข้ามาดูแ ล, ลรักษาถ้าอย่างนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายกลับกลายเป็นบุญกุศลขึ้นมาดูที่ตรงนี้นะ มันตั้งเจตนาให้ถูกในขณะที่เราทำหน้าที่การงานด้วยแล้วมันจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลได้ตลอดเลยนะอ่านี่สมาธิตาตาทาตนให้สมฐาน ะ, นะทำตนให้สมฐานะอันนี้คือในเรื่องของสิ่งที่จะส่งเคราะห์หรือสิ่งที่จะให้กั น, นมันมองอย่างนี้ทำยากไมมบุญไม่ยากนะนั่งอยู่เฉยแบบนี้ทำได้ไหมทำได้นะทำได้ตั้งใจให้ดีงามนะ เดี๋ยวเ่องเสร็จหันไปยิ้มกับคนข้างๆหรือพูดพูดจาทักทายโอภารปราสัยด้วยน้ําจิตน้ําใจนั่นแหละปิยะวาจาเกิดขึ้นใช่ไหมการให้เกิดขึ้นให้ด้วยกิริยานะช่วยเหลือเกื้อกูล ก, กันด้วยลักษณะอย่างอื่นเช่นอา้าวเขาถือของหนักมาเราช่วยเหลือเกื้อกูลเขานะหรือช่วยกันเก็บข้าวของเก็บอะไรให้เรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็กลายเป็นการทําบุญไปแลถ้าเจตนาเรามุ่งที่จะให้แบบนี้ เพราะการทำบุญจริงๆแล้ว เ, เราทำได้อยู่ตลอดนะโดยเฉพาะในเรื่องของทานโดยการให้ไม่ใช่เพียงแค่จะต้องให้กับพระเท่านั้นแต่ขอให้โยมตั้งเจตนาให้ถูกเถออ้าวมีคำถามไหมจเจริณพร เจริพรตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่เราจํากัดขอบเขตอย่างที่บอกว่าสมาณาตาตาคือสมฐา น, นะเนไงนะก็คงจะต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าขอบเขตการทํางานนั้นที่เราควรจะทําร่วมกันจะอยู่ในขอบเขตแค่ไหนตั้งเจตนาไว้อย่างนี้อย่างที่สองถ้าเขางานเยอะนะเราทํางานเสร็จแล้วเก็มีน้ําใจช่วยเขาหน่อยอันนั้นก็คงไม่เหลือบ่ากว่าแรงใช่ไหมถ้าอย่างนี้เนี่ยเจตนาของเราจะตั้งไว้ถูก แต่ถ้าเกิดว่าทีมข้างๆโอ้โหรู้สึกไหมมันเอาเปรียบและเกินมีแต่โยนงานโยนงานมาให้เราก็ต้องดูด้วยว่าขอบเขตงานของเราทําได้แค่ไหนก็พูดคุยกันสิใช่ไหมพูดคุยกันด้วยความปรารถนาดีนะตั้งเจตนาให้ดีนะอ้าวผมทํางานได้ในเท่านี้เท่านี้นะหรือว่าตรงส่วนนี้คุณจะพอช่วยได้ไหมไหนๆก็เราจะเราทํางานร่วมกันแล้วถ้าพูดคุยกันมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันอย่างนี้อาการกินแหน่งแคขงใจหรือการทะเลาะบาะแว้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้น ก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคนก็มีความถนัดแตกต่างกันใช่ไหมอ่าเขาถนัดเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องนี้ก็ให้เขามาช่วยเราในเรื่องนี้เราถนัดเรื่องนี้เราก็ช่วยเขาในเรื่องนั้ น, นะถ้าอย่างนี้เจตนาที่ตั้งพอมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันเจตนาที่ตั้งมันก็สามารถตั้งเจตนาที่ดีต่อกันได้แต่ถ้าในกรณีเขาเอาเปรียบมากๆเห็นแก่ตัวมากทํำยังไงก็ตั้งเจตนาดีกับเขาแต่ไม่ใช่ไปรับทําทั้งหมดหมายความว่าก็ต้องบอกต้องสอนต้องเตือนด้วยใช่ไหม มานั่งคุยกั น, นเออทำอย่างนี้มันไม่ดีนะในแง่ของการทำงานร่วมกันนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ครั้นี้เวลาคุยอย่างนี้มันไม่ใช่คุยเพราะโกรธแต่เพราะอะไรเอ่ยต้องการให้เขาแก้ไขพัฒนาฝึกฝนแล้วก็ปรับปรุงตนเองขึ้นมาใช่ไหมใช่ขนาดเดยวขนาดที่เราทำอย่างนี้เป็นยังไงเอ่ยเป็นบุญไหม ถ้าเจตนาตั้งไว้ได้ดีมันกลายเป็นบุญใช่ไหมแต่อย่าไปให้โทษสะเกิดนะว่าทําไ ม, มไม่ทํานะอย่าไปคาดหวังอย่างนั้นะจําไว้ว่าเราตั้งว่าเราจะสร้างประโยชน์ให้กับเขาเราจะช่วยเหลือเขาให้เกิดคุณงามความดีเกิดขึ้นหรือเกิดสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับเขาจะเป็นหรนะอ้าวนะคราวนี้ในเรื่องของการทําบุญนอกจากในเรื่องของวัตถุตรงส่วนนี้แล้วท่านก็บอกว่ามีหลักที่จะต้องพิจารณาอีก อีกสามอย่างด้วยกันนะอีกสามอย่างสามองค์ประกอบด้วยกันว่าการให้นะโดยเฉพาะในเรื่องของทานนะตอนนี้กำลังพูดถึงในหัวข้อของทานอยู่ว่าในเรื่องของการให้ทานนั้นมีประโยชน์หรือมีอานิสงส์มากหรือน้อยขอภครเพราะ <c oughs> ฉะนั้นก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบ ที่เราจะต้องพิจารณาอางค์ประกอบสามอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือผู้ให้ภาษาธรรมะเราเรียกว่าทายกหรือทายิกานะทายกหรือทายิกาคือผู้ให้สองคือวัตถุสิ่งของที่ให้ภาษาธรรมะเราเรียกว่าทายธรรมทนะายธรรม เมือนทายธรรมในที่นี้คือวัตถุสิ่งของที่เราให้ไม่ใช่เพียงแค่เอามาให้กับพระจึงจะเรียกว่าทายธรรมเท่านั้นนะให้กับคนอื่นๆด้วยก็เช่นเดียวกันและสามคือผู้รับภาษาธรรมะเรียกว่าปฏิคาหกนี่คือสามอย่างนะหรือสามองค์ประกอบที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้การให้ในครั้งนั้นเกิดอนิสงส์ก็คือเกิดประโยชน์เกิดผลดีมากหรือน้อย รายละเอียดมีเยอ ะ, ะวันนี้เดี๋ยวเอาแค่ตัวความหมายของสามองค์ประกอบนี้ก่อนหนึ่งทายกหรือทายิกาคือผู้ให้ผู้ให้เป็นอย่างไรการให้นั้นจึงจะมีอานิสงส์มากเป็นบุญเป็นกุศลมากท่านบอกอย่างนี้ถ้าผู้ให้นั้นเป็นผู้มีศีลมีสัตว์ประพฤติปฏิบัติชอบมีกิเลสเบาบางการให้ในครั้งนั้น จะมีอานิสงส์มากหรือมีประโยชน์มากเพราะอะไรอา้าวโยมลองสังเกตสมมติว่ามีคนคนหนึ่งรับของจากอีกคนหนึ่งคนที่เอาของไปให้คนนี้เป็นประจำหรือช่วยเหลือคนนี้เป็นประจำคนที่ไปช่วยเหลือนี่เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีศีลมีสัตว์เป็นคนที่ซื่อรรสัตย์สุจริตได้สิ่งต่างๆมาด้วยความซื่อรรสัตย์สุจริตเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคม แลวคนนี้ไปช่วยคนนี้อยู่เป็นประจำยมรู้สึกว่าคนที่ได้รับการช่วยเหลือหรือคนที่รับของนั้นเป็นคนยังไงคนที่ดีแบบนี้จริงให้ของกับคนนั้นยมรู้สึกว่า ผ, ผ, ผู้ที่รับของนั้นเป็นคนยังไงเอง่ยเป็นคนดีใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคนนี้โหคนนี้นี่โกงเขาโกงเอารัดเอาเปรียบรีดนาทาเร้นคนอื่น เป็นคนที่ไม่ดีไปยุ่งเกี่ยวอบบายามุกการได้เงินมาได้เงินมาในทางที่ไม่สุจริตได้มาแล้วก็เอาไปให้อีคนนี้เป็นประจำเอาไปช่วยคนนี้เป็นประจำนะ uh, สมมติว่าในขอในในในกรเนี่ยได้เงินมาด้วยความที่ไม่สุจริตเรารู้แล้วเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนขี้โกงเอาไปให้ในายขอมีได้ได้เงินมาเสร็จแล้วเอาไปให้ในายขอเป็นประจา โยมจะคนทั่วไปจะมองในขอว่าเป็นยังไงเอ่ ย, อยจะมีส่วนร่วมอะไรหรือเปล่าทําไมมันมเอาไปให้ประจําใช่ไหมใช่เห็นไหมในผลกระทบที่เกิดขึ้นแม้ในขอจะเป็นคนดีแต่ว่ารับของจากคนที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นประจํามันก็เป็นเหตุให้เสียได้ใช่ไหมใช่อย่างที่สองมันเป็นแบบอย่างทําให้คนในสังคมมองว่าการให้แบบนี้มันเป็นเรื่องของการให้หวังผลประโยชน์ต่อไปคนจะไม่ค่อยอยากจะให้ จช่ไหมใช่มันผู้ให้เนี่ยถ้าเป็นผู้มีศีลมีศัตย์ประพฤติปฏิบาาัติชอบกลับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมนอกจากเป็นตัวอย่างให้ดีที่ดีให้กับสังคมแล้วผู้รับก็จะเกิดจิตใจที่ดีงามไม่ขุนมัวในภายหลังไม่ใช่รับมาแล้วะตะขิตตะขวงใจเดี๋ยวคนอื่นจะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะอ่านินทาตัวเองหรือมองตัวเองในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นถ้ามองอย่างนี้โยมจะเห็นว่า ถ้าผู้ให้เป็นผู้มีศีลมีสัตว์พฤติปฏิบัติชอบเนี่ยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมันเยอะและในแง่ของผู้ให้เองด้วยในแง่ของผู้ให้เองถ้าตัวเองประพฤติปฏิบัติชอบได้ของสิ่งนั้นมาโดยสุจริตเวลาให้ในยมลองสังเกตจิตใจมันจะผ่องใสนจะผ่องใสได้ง่ายนั้นอันนี้คืออย่างแรกนะขออภัย อานะอันนี้คือประการแรกประการที่สองทยธรรมจริงๆในแง่ของผู้ให้นี่มีรายละเอียดมากกว่านี้นะอันนี้ให้เห็นความหมายเอาไว้ก่อนและความสำคัญประการที่สองทยธรรมคือของที่จะให้ ของที่จะให้เป็นอย่างไรจรึงจะเหมาะสมกับจะทําให้การให้นั้นมีอ น, นิสงส์มากสมมตินะคนกินข้าวอิ่มจะแย่อยู่แล้วยอมจะเอากับข้าวไปยัดเยืยดให้กับเขาอีกยอมว่าประโยชน์เกิดมากหรือน้อยน้อยฉั้นใดก็ฉันนั้นนะและฉันใดก็ฉันนั้นะเพราะในเรื่องของของที่จะให้นี้ท่านบอกว่าดูด้วยหนึ่งเป็นของที่เหมาะสมกับผู้รับ ผู้รับได้ไปแล้วจะได้เอาไปใช้ประโยชน์เกิดสิ่งที่สร้างสารรค์เกิดสิ่งที่เกื้อกูลเกิดสิ่งที่ดีงามถ้าเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงเอ่ยเวลาให้อย่างนี้ประโยชน์เกิดขึ้นทันทีใช่ไหมต่อผู้รับหนึ่งเขาอาจจะมีเรี่ยวแรงกําลังนะหรือมีอุปกรณ์หรื อ, อทําให้เขามีศักยภาพในการที่จะออกไปสร้างประโยชน์หรือสร้างสารรค์คุณงามความดีได้เยอะ หรือแม้แต่กระทั่งช่วยให้เขาได้ฝึกทําให้จิตใจเขาดีงามอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าของเป็นของเหมาะสมกับผู้รับเป็นของที่ทําให้ผู้รับนั้นจเจริญในคุณงามความดีจเจริญในบุญกุศลหรือออกไปช่วยสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมได้เยอะของนั้นการให้ในครั้งนั้นเป็นยังไงอันนี้ส่งมากหรือน้อยคราวนี้มากเลยใช่ไหมไม่ใช่เพียงแค่เราให้เราสบายใจเท่านั้นแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้น ต่อผู้รับเองและต่อในสังคมโดยส่วนรวมมันเกิดขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับของราคาถูกหรือของราคาแพงให้จำนวนมากหรือให้จำนวนน้อยไม่เกี่ยวกับตรงนั้นเกี่ยวข้องกับว่าให้แล้วเหมาะสมไหมผู้รับได้ไปแล้วสิ่งนั้นเอาไปสร้างสารรค์ประโยชน์ได้ไหมถ้ารับไปมากสร้างสารรค์ประโยชน์ได้มากการให้มากนั้นกลับมีประโยชน์แต่ถ้าได้รับมาก จะกลับสร้างสารรพประโยชน์ดได้น้อยหรือกลายเป็นติดในวัตถุสิ่งของแล้วมันเป็นอันทําอะไรของนั้นกลับทําให้เกิดอันดีสอในการให้น้อยลงไปนะอย่งางบางที่ของมีอยู่เยอะแล้วนะของมีเยอะก็ให้อยู่อย่างนั้นแหละนะคราวนี้เป็นยังไงลาบากในการจัดเก็บลำบากในการดูแลอีกครั้นี้ยิ่งเป็นภาระใช่ไหมครั้นี้กลับยิ่งเป็นภาระอ้าวก็เลือกใ ห, ให้เหมาะสมสินะเลือกใ ห, ให้เหมาะสมก็หนึ่งก็จะได้ไม่เป็นภาระ เอาอย่างของโยมเองเหมือนกันใช่ไหมใช่เอาลองดูซิอถ้าโยมเองมีของเยอะอยู่แล้วออย่างวันปีใหม่อ่ะหม้อกระทะไม่อยู่แล้วมาอีกแล้วหม้อกระทะมาอีกแล้วหม้อกระทะคันนี้ประโยชน์มากหรือประโยชน์น้อยใช่ไหมเงินก็เสียเท่าเดิมเสียเหมือนกันเลยแล้วหม้อกระทะหม้อกระทะเนี่ยให้เป็นประจําอย่างเงี้ยนะใช่ไหมใช่เว้นแม้แต่ว่าเออเราเห็นที่อื่นลําบากล้วเอาที้ไปบริจาคต่ออันนั้นก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งและอีกประการหนึ่ง แต่ถ้าเราไม่มีเวลาไปบริจาคต่อแบบนี้บางทีก็แก้วน้ามาทุกปีนะจนจะไม่มีที่จะเก็บกลายเป็นภาระนี่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นน้อยไปเนี่ยอันนี้สองก็น้อยมันไทยธรรมดูที่ตรงนี้นะของนั้นเหมาะสมกับผู้รับไหมนะของนั้นผู้รับได้ไปแล้วได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่าเกิดประโยชน์เกื้อกูลไหมนะประโยชน์เกื้อกูลในทางที่สร้างสารรค์ทั้งในแง่ของตัวของเขาเอง ทำให้เขาได้เกิดการฝึกเกิดการพัฒนารวมไปถึงในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมถ้าของเป็นประโยชน์แบบนี้การให้นั้นมีอนิสงส์มากคือประโยชน์เกิดขึ้นมากมองอย่างนี้โยมจะเห็นแล้วนะนะอย่างแรกนะของเหมาะสมกับผู้รับไม้มนะเหมือนกับที่อตมายกเมื่อกี้อนะเอาบุหรี่ไปถวายพระนะ่ะนะ ได้บุญหรือได้บาปมานรู้นะัคิดดูเราเองกันแล้วกันนะเอามาเร่งถวายมาเร่งหน่อยเจ้าค่ะนะจะได้ตายเร็วๆนะเอาได้บุญหรือได้บาปนะพากระติดอยู่นันกระสูบอยู่นั่นแหละนะซูบอยู่นั้นกับปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้หรอกแล้วมันละคายเคืองนะ ล, ลองสังเกตดูง่ายๆนะแล้ว อ, อย่างที่สองของนั้นได้มาโดยซื่อสัตว์สุจริตไหมวัตถุนะ ถ้าของได้มาโดยที่สัตว์สุจริตได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเราเป็นยังไงเอ่ยเวลาเราไปให้ภูมิใจเราสละได้ใช่ไหมมันสละความโลภออกไปได้แม้ของได้มาแม้ได้ยากเราสามารถให้ได้มันจะเกิดความภูมิใจเกิดความอิ่มใจเนี่ยถ้าของได้มาโดยที่สัตว์สุจริตแต่ถ้าของนั้นได้มาโดยไม่ใช่สัตว์สุจริตล่ะมันจะเกิดความเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจของเราเฮอเราได้มาไม่ถูกเอาไปให้นี้มันจะได้บุญไหมใช่ไหม อันนี้อย่างแรกบางคนอาจจะนึกอย่างนี้อย่างที่สองก็จะไปกังวลกับสิ่งที่ไม่ดีในขณะที่เราทํำนี่แหละเพราะว่าเงินที่เราจ่ายนั้นเป็นยังไงเอ่ยมันได้มาไม่ถูกต้องนมันโยมลองสังเกตดูนะเวลาจิตใจเราสงบผ่องใสดีงามเนี่ยเรื่องไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยมันจะเกิดขึ้นมาที่เราเคยทําในอดีตมันจะผุดขึ้นมาได้ง่ายเคยสังเกตไหมอย่างเวลานั่งสมาธิสงบดีในบางทีเรื่องกระทั่งในอดีตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมา เหมือนกันนะเวลาจิตใจดีงามของนี้เงินเราได้มาไม่สุจริตบางทีความไม่สุจริตพวกนี้มันจะขึ้นมารบกวนจิตใจของเราแทนที่จิตใจมันจะผ่องใสเต็มที่มันไม่ผ่องใสเต็มที่มันกลายเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจหรือความกังวลใจเกิดขึ้นนะมันของนั้นได้มาโดยสุจริตนะเครื่องพยาธิธรรมนั้นเราได้มาโดยสุจริตว่าได้มาด้วยความซื่อสัตย์อานิสงส์ย่อมมาก มากกว่านะมากกว่าของที่ได้มาโดยไม่สุจริตนะหรือไปโกงไปช่อดาดบางหลวงหรือไปโกงเข้ามานะโกงเข้ามาแล้วให้นี้ได้บุญไหม่ได้แต่อันในสงมันน้อยลงไปความผ่องใสในจิตใจก็น้อยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมันก็น้อยลงไปด้วยเพราะของที่เราได้มานั้นได้มาโดยไม่ถูกต้องได้มาโดยไม่ชอบธรรมนะเอางนะั้นนี่อย่างที่สองนะอย่างที่สามนะการการได้มาหรือการให้สิ่ ง, งของนั้น ไม่เปลี่ยนตนเองไม่ิดเปลี่ยนผู้อื่นเพราะฉะนั้นของนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าแต่บางคนอยากได้บุญเยอะแล้วเปลี่ยนตนเองมีไหมมีนะบางคนกู้เงินมาทําบุญ <c oughs> กู้เงินมาทําบุญนี่เป็นยังไงจิตใจผ่องใสไหมโอ้โหกู้มาตั้งแสนหนึ่งเอามาทําบุญแสนหนึ่งเอาแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวจะใช้นี่ยังไงเนี่ย เอ๊แล้วเมื่อไหร่เราจะโชคดีทําแล้วจะโชคดีอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่านี่จิตใจกับคุนหัวเศร้าหมองนะนี่มันบิดเบี้ยนตนเองอย่างในสมัยพุทธกาลมีนะมีชายายาจกเข็นใจคนหนึ่งยาจกเข็นใจมากเลยนะก็คือมีผ้าห่มอยู่ผืนเดียวต้องแบ่งกันกันกบระหว่างภรรยากับตัวเองถ้าจะออกไปนอกบ้านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะครั้งแรกจะตัดสินใจจะให้ให้ไม่ได้ยังเป็นห่วง ครั้งที่สองให้ไม่ได้ยังเป็นหัวครั้งที่สามแต่สินใจให้ให้ไปเลยให้ความสิท์ละแต่ให้ในสิ่งที่เขามีไม่ใช่ไปของเงินคนข้างๆมาเพื่อให้พระพุทธเจ้าสังเกตนะให้ในสิ่งที่เขามีเท่าที่เขามีศักยภาพจิตใจเขาถึงผ่องใสได้เต็มที่ไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองเพราะฉะนั้นเน้นย้าไว้ว่าไม่ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสิ่งของนะ ถ้าในแง่ของวัตถุวัตถุนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เหมาะสมกับผู้รับหรือไม่ได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่นดูที่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าบริจาคเงินหนึ่งล้านกับบริจาคบริจาคเงินหนึ่งพันบาทบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทย่อมได้บุญมากกว่าหนึ่งพันบาทไม่เกี่ยวเลยนะขึ้นอยู่กับบริจาคยังไงเจตนา ย, ยังไงความอิ่มเอิบผ่องใสในใจมีมากแค่ไหนใช่ไม่ใช่เว้นไว้แต่ว่าทั้งหมดเหมือนกัน เว้นไว้แต่ว่าทั้งหมดเหมือนกันแต่ถ้าเงินปริมาณมากหรือวัตถุที่มีของมีมีค่ามากนั้นช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดคุณงามความดีได้มากกว่ากรณีอย่างนี้มูลค่าจึงเริ่มเข้ า, ขามามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้ามูลค่ามากประโยชน์น้อยมูลค่าน้อยประโยชน์กลับมากกว่าถ้าอย่างนี้ถวายของที่มูลค่าน้อยกว่าหรือให้ของมูลค่าน้อยกว่ากลับได้อานิสงส์มากกว่าของที่มีมูลค่ามาก ยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ยยมลองนึกซิเอาอย่างง่ายๆนะมักจะเป็นที่นิยมกันในหมู่คนรวยนะคือเวลาพระที่ตนเองเคารพนับถือได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคงเจ้าคุณนะและหลายคนนะที่เป็นคนรวยมากๆชอบเอารถเบ้นไปถวายพระรถเบ้นราคาเท่าไหร่เอ่ยอย่างน้อยๆเดี๋ยวนี้ก็ต้งสักสองล้านแล้วมั้งนะ อะไรเท่าไหร่ค่าน้ํามันเท่าไหร่เอาแล้วสวยเลยนะพระใช่ไม่ใช่ <c oughs> ขับออกไปปืนน้นนึงนี่หมดแล้วน้ำมันเป็นลิธิ์เลยอะ่ะใช่ไม่ใช่เชี่ยวชนทีนึงซ่อมอะไรทีนึงในโอโห้หาคลายเป็นภาระอีกของนั้นมูลค่ามากหรือน้อยประโยชน์ได้มากหรือน้อยน้อย กลับกลายเป็นภาระอีกใช่ไหมท่านจะต้องมานั่งกังวลในเรื่องนี้อีกนะรถเอาจอดไว้เฉยๆถ้าไม่ใช้มันมันก็เสียถ้าใช้มันค่าเสื่อมราคาก็สูงค่าน้ำมันก็สูงกับแค่การเดินทางไปจากจุดนี้ไปจุดนี้เท่านั้นเองยมเห็นหรื อ, อยังเพราะงั้นการถวายของมูลค่ามากไม่ใช่ว่าจะได้บุญมากนะแต่ถ้าเป็นของที่เหมาะสมกับท่านสิะของที่เหมาะสมกับท่านอา้าวเราถวายสิ่งนี้ไปท่านกลับจะได้ไปใช้ประโยชน์ หรือกลับเอาไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเกื่อกูลให้ได้มากกว่าของสิ่งนั้นนายโยมถวายกลับมีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างคนใช่ไหมใช่อย่างเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของของเนี่ยอาตมา ก, ก็เคยยกตัวอย่างมาแล้วนะแต่ขออภัยนะไม่ใช่บอกบอ ก, กับโยมว่าให้เอา ม, มาถวายอาตมาหรืออะไรอย่างนี้นะ พอช่วงหลังมาอาตมาก็แปลกใจเอ๊ะทำไมมีคนเอาพระตายไปโดดคอมพิวเตอร์มาถวายหลายชุดจังบอกไม่ใช่นะให้โยมพิจารณาให้โยมใช้ปัญญาคือยกเป็นตัวอย่างให้ฟังอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างไงยังโยมไปถวายสังฆทานถังสังฆทานชนิดถังละประมาณเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยบาทนะสองร้อถึงห้าร้อยบาทโยมถวายพระสามรูปเท่าไหร่คิดเป็นมูลค่าหกร้อยบาทของสังฆทานนั้นพระได้ใช้ไหม ไปดูก็ได้นะถ้าวัดในตัวเมืองไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนะขออภัยที่นี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วของที่เอามาให้เป็นยังไงเอ่ยเคยเปิดดูไหมนะอย่างที่บอกเคยเล่าให้ฟังน่ะบางทีผ้าอาบน้ําฝนก็แค่ครึ่งครึ่งถืนนมก็หมดอายุแล้วข้าวก็มีกลิ่นแท บ, บไม่ได้ใช้หรอกนะคือเอามาก็ไม่รู้เอาไปทิ้งที่ตรงไหนดีนะเป็นภาระอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้น ใช่ไหมแต่ถ้าโยมใช้ปัญญานิดหนึ่งเอาของที่เหมาะสมกับพระนะท่านจะได้เอาไปใช้ประโยชน์เกือ้อกูจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องที่วัดนี้เท่านั้นโยมลองดูสิว่าที่วัดอื่นๆด้วยเอาที่ไหนท่านศึกษ า, เ, าเราซื้อพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ไปถวายอาพระเน้นท่านศึกษาใช่ไหมต้องมีสมุดดินส อ, เ, อเรารู้ตรงนี้ท่านจะต้องใช้ เ, เราเอาตรงเนี้ยของที่ท่านจะได้ใช้เอาพัฒนาท่านหรือหนังสือตำลับตำราเอาท่านเรียนเรื่องอะไรอลองสอบถามพระสักนิดหนึ่งนะ คือไปบอกพระว่าท่านอยากได้อะไรในพระตอบให้ไม่ได้เพราะถ้ายมไม่ได้ปวารณาพระ บ, บอกเมื่อไหร่พระเป็นอาบัติเมื่อ น, นั้นยมคอยสังเกตมันเป็นความใส่ใจของโยมเองใช่ไหมไปที่วัดไหนก็ได้เห็นพระท่านต้องศึกษาเล่าเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านใช้ตาําราเรื่องอะไรบ้างนะแล้วยมก็ช่วยจัดหายให้กับท่านอย่างนี้เป็นอย่างไรอย่างนี้พระยิ่งมีกําลังใจในการศึกษาแล้วท่านได้ใช้ประโยชน์เต็มที่นี่เป็นการสร้างคนให้อย่างนี้กลับมีกประโยชน์มากกว่าใช่ไหมใช่ ในขณะที่โยมอาจจะเสียเงินน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันด้วยซ้ำแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากกว่าอันนี้มุ่งมองในแง่ของการสร้างคนเป็นเรื่องของการให้ทำใช่ไหมใช่มันพิจารณาตรงนี้ประกอบด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของของทายาธรรมยโยมพิจารณาด้วยนะบางทีโยมได้มาแบบลวกลวกหรือไม่ประณีตเท่าไหร่ท่านมีหลักอีกอย่างหนึ่งให้ของที่ประณีต ให้ของที่ปราณีตย่อมมีได้บุญมากหรือได้อานิสงส์มากปราณีตในที่นี้ไม่ใช่ของหรูของราคาแพงหมายถึงเราตั้งใจด้วยความตั้งใจของเราจริงๆที่อัตมามักจะยกตัวอย่างเช่นยังโยมวันเกิดเพื่อนหรือวันปีใหม่เนี่ยยอมแค่เดินเข้าห้างเสร็จปุ๊บอ่ะเอานี้ก็แล้วกันไม่ต้องคิดอะไรแล้วเอาไปให้ตอนให้โยมรู้สึกยังไง ร, รู้สึกขนาดหนึ่งนะ แต่ถ้าโยมมานั่งนึกเอ้เพื่อนคนนี้เขาชอบอะไรได้อะไรไปแล้วเขาจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆแล้วยมคอยเลือกดูของขณะที่โยมเลือกดูของให้เพื่อนคนนี้ชอบแบบนี้นะนะตรงนี้เขาได้ไปเขาจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้เขายังขาดตรงนี้เขาอยากได้อยู่แล้วขณะที่โยมเอาไปให้เพื่อนตอนนั้นความรู้สึกกับอย่างแรกต่างกันไหมต่างกันบางทีของที่เราพยายามประดิษฐ์ประดอยทําด้วยตัวเองเวลาเราได้ให้แล้วเป็นยังไงความรู้สึกต่างกันเลยใช่ไหมใช่ นี่แหละมันเป็นความปราณีตในการจัดในการหาสิ่งของเมื่อในขณะที่โยมจัดในโยมขณะที่โยมหาแบบนี้ด้วยใจปรารถนาดีกับเขาหรือใจปรารถนาดีด้วยขณะที่ให้ในขณะที่โยมจัดในขณะนั้นเจตนาของโยมเป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะในขณะที่ยังไม่ได้ให้ของเหมือนกันขณะให้ในโยมยิ่งกับรู้สึกภูมิใจยิ่งรู้สึกอิ่มใจเพราะฉะนั้นอย่าไปจัดลวกๆนะแล้วเราจะให้อะไรไหนๆก็เสียเงินแล้ว ต้องให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าในแง่ของจิตใจสร้างเสริมให้เกิดความดีงามขึ้นในจิตใจของเรานะคิดพิจารณาสัหน่อยหนึ่งนะมีความละเอียดมีความประณีตสักนิดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะเฉะนั้นก็ฝากกับโยมเอาไว้นะอันนี้ในเรื่องของของนะว่าโดยหลักก็คือหนึ่งได้มาโดยความซื่อสัตย์สุจริตของนั้นเหมาะสมกับผู้รับเป็นประโยชน์กับผู้รับผู้รับได้ไปแล้วสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามหรือเครือกูลได้ ในอย่างที่สามให้ของที่สะอาดและปราณีตนะสะอาดและประณีตในที่นี้ก็เป็นเรื่องของเราเป็นความใส่ใจของเราที่มีต่อผู้รับนั่นเองใช่ไหมใช่ในขณะที่เราตั้งใจจะให้นะอันนี้ไม่ได้จํากัดว่าเอามาถวายพระเท่านั้นนะหมายถึงกับทุกๆคนเลยนะอันนี้ในเรื่องของทายาธรรมประการที่สุดท้ายปฏิคาหกคือผู้รับ ท่านบอกว่าผู้รับนั้นถ้าเป็นผู้มีศีลมีสัตว์ประพฤติปฏิบัติชอบกิเลสปบาบางการให้ในครั้งนั้นย่อมมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากเพราะถ้าผู้รับมีกิเลสปบาบางท่านย่อมไม่สะสมท่านย่อมเอาสิ่งเหล่านั้นไปสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์เกือกูลใช่ไหมใช่แล้วเอาไปให้คนต่างๆก็เหมือนกันถ้าเห็นคนนี้เขาทำประโยชน์คนนี้เขาชอบไปเลี้ยงเด็ก คนคนนี้เขาชอบไปบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเขาจะต้องใช้อุปกรณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเขาจะต้องใช้วัตถุสิ่งของเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดมันเกิดแทนที่จะซื้อของเจาะจให้กับเขาซื้อของให้เขาเพื่อเอาไปทําประโยชน์ได้หรือแม้แต่กระทั่งเราร่วมกับเขาในการบำเพ็ญประโยชน์สนับสนุนเขาอย่างนี้ในขณะที่เราให้นั้นจิตใจเราจะเป็นยังไงเห็นเขาเอาของที่เราให้นั้นเอาไปสร้างประโยชน์เกื้อกูลได้จิตใจโยมเป็นยังไงคนนี้ โอ้ผ่องสายมีความสุขเนี่ยบุญมากทันทีเลยใช่ไหมเพราะอะไรผู้รับนั้นเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีสร้างสรรค์ประโยชน์แล้วมีเป็นผู้ที่มีกิเลสเบาบางเขาย่อมไม่สะสมสิ่งเหล่านี้มีแต่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์เกิดขึ้นใช่ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเราและความรู้สึกเราหรือผู้รับละแต่หมายถึงสังคมโดยส่วนรวมด้วยท่านตึงบอกว่าให้พิจารณาด้วย อ้าวสามอย่างจําได้ไหมหนึ่งก็คือทยยกหรือทยยิกานะผู้ให้สองของคือไทยธรรมสามคือผู้รับหรือปฏิคาหกมันยมสังเกต ง, ง่ายๆนะวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยนะมีอยูนะ่เคยสังเกตไหมทําไมมาวัดต้องอาลัตนาศีลก่อนมาวัดทําไมตึงต้องให้ไหว้พระสวดมนต์ก่อนก่อนที่จะถวายสังฆทานไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ต้องอาลัตนาศรรีนแล้วก็รับศีน นะเพืจะถวายสังฆทานเคยสังเกตไหมเคยถามตัวเองไหมไม่เคยมันมีแง่มุมอยู่ตรงนี้ยมลองสังเกตนะยมมาวัดเสร็จยมเห็นพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธเจ้าขณะที่โยมว่ายพระสวดมนต์ในขณะนั้นจิตใจ ย, ยมเป็นยังไงเอ่ยสงบผ่องใสตอนนี้ในฝ่ายของทา ย, ยกทา ย, ยิกาเริ่มบริสุทธิ์แล้วใช่ไม่ใช่ จากหมาไปมารถมันติดบางทีกําลังเครียดกับการขับรถหรือว่าเพิ่งมีเหตุทําให้ไม่สบายใจมาเสร็จดูหน้าพระพุทธเจ้าเอาไหว้พระสวดมนต์มันลืมตรงนั้นละนะคาคําสวดมนต์เป็นคําภาษาบาลีบางทีจํายากหน่อยก็ต้องตั้งใจสักนิดหนึ่งอย่างน้อยใจเรามาอยู่กับสิ่งดีงามตรงนี้แล้วเอาถัดจากนั้นในแง่ของทายกทา ย, ยิกาให้บริสุทธ์มากขึ้นไปกว่านี้เป็นยังไงให้มีศีลด้วยจึงมีการอาธนาศีลรับศีนก่อน พอเรารู้สึกว่าเออเราได้ซ่าเราได้รักษาศีลเราได้ประกอบคุณงามความดีอย่างนี้มันก็จะมีความภูมิใจมีความอิ่มใจเกิดขึ้นฝ่ายทายุกทายิายยกายิ่งบริสุทธิ์ขึ้นมาเห็นไหมมีรูปแบบอยู่เพราะฉะนั้นมาถึงอย่ารีบนะทําใจให้สบายทําใจให้สงบทําใจให้ผ่องใสนึกถึงความดีงามที่เรากําลังจะทำํำก้อนนั้น่จิตใจยมยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลพอย่อมได้ทําในขณะที่จิตใจสงบผ่องสใสดีงามอย่างนั้นยมจะรู้สึกเลยพอให้ปุ๊บ บางที่ปิติมันเกิดมันอิ่มใจมันผ่องใสามากนั่นแหละบุญกุศลเกิดขึ้นมากกับเราเห็นไหมมันไม่ใช่เพลงเป็นเพียงแค่รูปแบบนะมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนี้ะซ่อนอยู่ในนี้ซึออ่งคนสมัยก่อนนะบรรพบุรุษของเราเนี่ยพยายามที่จะจัดรูปแบบให้เหมาะสมเพราะท่านมองเห็นสิ่งเหล่า น, นี้นะ้เหมือนกันอย่างโยมไปซื้อของเดินไปเอาถวายสังฆทานซื้อถังหยิบมาขึ้นรถโยมเสียโอกาสเสียเงินเท่ากัน อย่างที่สองมีเวลาสักนิดหนึ่งยมไปเลือกดูของสัหน่อยอะไรเหมาะสมอะไรจําเป็นนะไม่ว่าไปที่วัดไหนนะไม่ว่าไปที่วัดไหนในขณะที่ยมเลือกในขณะที่ยอม เ, อ อ, มเอออันนี้เป็นของดีอันนี้ยังไม่หมดอายุท่านคงจะใช้ได้นานในขณะที่ยมเลือกอย่างนั้นยมรู้สึกยังไงยมรู้สึกยังไงเอ่ยเวลาเลือกสิ่งของว่าเราจะได้เอาไปถวายให้กับพระหรือจะเอาไปให้กับคนอื่น เราพยายามเลือกของที่ดีให้กับเขาด้วยความปราณีตรู้สึกว่าเขาจะได้เอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์หรือเขาจะได้เก็บไว้ใช้ได้นานยมรู้สึกยังไงภูมิใจอิ่มใจผ่องใสนั่นแหละบุญเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นละใช่ไม่ใช่นั่นแหละในขณะนั้นน่ะจิตใจยมเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วในแง่ของของาอาทายธรรมได้มาก็ได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะในขณะที่เลือกสิ่งของก็ดูให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับ นะไม่ใช่แค่กับพระหมายถึงกับทุกๆคนนะนอกจากนั้นพยายามดูของที่ปราณีตนะของที่ปราณีตของที่ละเอียดนะให้เหมาะสมในขณะที่โยมทําอย่างนั้นโยมจะรู้สึกภูมิใจรู้สึกอิ่มใจแล้วเวลาโยมเอาของอย่างนี้มาให้โยมกับจะรู้สึกมีความสุขรู้สึกอิ่มใจใช่ไหมยิ่งเห็นผู้รับได้ไปแล้วได้ใช้ประโยชน์ก็ยิ่งภูมิใจยิ่งอิ่มใจอย่างนี้เป็นต้นนะมันถ้าทําอย่างนี้โยมกับได้อา น, นิสงส์มาก ในแง่ของผู้รับสังเกตท่านจะให้ถวายเป็นสังฆทานคือถวายให้กับสงฆ์โดยส่วนรวมทั้งหมดเพราะว่าอะไรเอ่ยก็หมายถึงสงฆ์โดยส่วนรวมรูปใดจะใช้สามารถใช้ของนี้ได้ประโยชน์โดยส่วนรวมจะเกิดขึ้นมากใช่ไม่ใช่นะ เ, รเรื่องนี้เดี๋ยวจะกล่าวถึงเรื่องปาฏิบุคลิกฐานกับสังฆทานให้ฟังองีกนทะีหนึ่งเพราะการตั้งเจตนาตั้งใจไว้แบบนี้เนี่ยการให้ในครั้งนั้นแม้เสียเงินเท่ากันเสียเวลาเท่ากัน แต่ผลที่ได้แตกต่างกันถ้าเรารู้ได้เข้าใจและในทางพุทธศาสนาในการให้จึงไม่ใช่การให้แบบตามอารมณ์แต่ต้องให้ด้วยปัญญานั่นแหละประโยชน์หรือบุญกุศลจึงจะเกิดขึ้นมากต้องพิจารณาด้วยนะเอานะวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะเกินเวลาไปประมาณสิบห้านาทีกว่าแล้วนะแล้วก็รายละเอียดในเรื่องอื่นๆเรื่องของการให้ <c oughs> ในเรื่องของทายกทายิกาทายธรรมแล้วก็ปฏิฆาหกมันยังมีรายละเอียดมากกว่านี้ ก็เอาไว้คุยกันต่อในวันอาทิตย์หน้ า, น, านะสำหรับวันนี้ก็คงอขอจบธรรมบรรยายไว้แต่เพียงเท่านีนะ้ก็ฝากโยมนะเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันบุญไม่ใช่สิ่งที่ห่างใครจากตัวเราอยู่กับเราตลอดถ้าตั้งเจตนาได้ถูกนะไม่ว่าเราทําอะไรก็สามารถเป็นบุญเป็นกุศลได้นะแต่ถ้าทั้งเจตนาไม่ถูกนะโยมกลับจะขาดทุนนะแล้วจิตใจกลับไม่ดีงามไม่เป็นบุญเป็นกุศล